มาศึกษาความจริงของพวกเราว่าพวกเรานี้เป็นอะไรกันเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรและจะไปไหนต่อไปนี่คือคำตอบที่พระพุทธศาสนาจะสามารถ ตอบให้กับคำถามเหล่านี้ได้พวกเราตอนนี้เป็นมนุษย์เพราะว่าเรามีร่างกายของมนุษย์มาเกาะติดอยู่ด้วยแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ได้ใช่เป็นตัวเราเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่ มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆตามความอยากตามความต้องการของเราก่อนที่เราจะได้มามีร่างกายมาเกาะเราก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพนะ มนุษย์นี้ร่างกายของมนุษย์นี้อยู่ในโลกธาตุโลกกธาตุคือโลกของธาตุสีิลนน้ำลมไฟดวงวิญญาณนี้จะมาเกาะติดกับร่างกายเวลาที่ได้ไปรับผลบุญผลบาปในโลกทิพย์มาแล้ว ดวงวิญญาณนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์หรือในไตรภพในสังสารวัตในสังสารวัตน์นี้คือภพมีภพอยู่สามภพด้วยกันเรียกว่าไตรภพมีกามภพมีรูปภพ และอรูปภะกามภพก็คือภพสำหรับดวงวิญญาณที่หาความสุขจากการเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตระะต่างๆผู้ที่อยู่ในกามภพนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองซีกด้วยกันซีกที่มี แต่ความสุขและซีกที่มีแต่ความทุกข์แล้วก็มีส่วนที่อยู่ระหว่างกลางซีกที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ผสมกันซีกที่มีแต่ความทุกข์เราเรียกว่าอบายดวงวิญญาณนี้ที่ทําบาปจะเป็นผู้ที่จะไปอยู่ในซีกที่มีแต่ความทุกข์ เลีว่าอบายมีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งเดลฉานเคยจะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรลฉานถ้าทาบาปถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอาสุรกาย และดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาทำบาปไว้มากกว่าได้ทำบุญบาปก็จะเป็นผู้ที่ดึงให้ดวงวิญญาณนี้ไป เกิดในอบายถ้าได้ร่างกายก็จะเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นผีเสื้อเป็นนกเป็นมดเป็นมแมลงอะไรต่างๆสาเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณต้องไปมีร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน เพราะเวลาเป็นมนุษย์นี้ไปทำบาปเอาไว้โดยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลต่อดวงวิญญาณที่จะพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เ, ออเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ออไม่มีใครสั่งใครสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบาปก็เลยไม่รู้ว่า การทำบาปนี้มีผลต่อดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วทำบาปเพราะความจำเป็นเพราะต้องเลี้ยงชีพนะพวกที่ทำบาปเพราะคิดว่าเป็นความจำเป็นจะต้องเลี้ยงชีพก็เลยเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ เลี้ยงชีพด้วยการทำบาปคือด้วยการฆ่าสัตว์ฆ่าเอาชีวิตของผู้อื่นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยมนุษย์ที่มาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานตายไปดวงวิญญาณก็เลย ต้องไปอยู่กับพวกสัตว์เดรัจฉานคือไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆส่วนพวกที่ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยนี้เป็นพวกที่ทําบาปด้วยความโลภความอยากอยากได้มากๆอยากมีมากๆไม่สามารถที่จะบีได้ด้วยการไม่ทําบาป ก็เลยต้องไปทำบาปดวงวิญญาณชนิดนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยเพราะว่าเวลาที่ทำบาปด้วยความอยากมันก็ไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอได้คืบก็อยากจะได้สอกย่ศอกก็อยากจะได้วายิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่ ความอยากยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นความอยากก็คือความหิวโหวยของใจนี้เองอพอตายไปก็เลยต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยตลอดเวลาส่วนพวกที่ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวก็พอเวลาเป็นมนุษย์ เวลากลัวอะไรก็จะทําบาปเพื่อกาจัดสิ่งที่ทําให้กลัวกลัวมดกลัวแมลงก็ฆ่ามดฆ่าแมลงกลัวยุงก็ตกยุงกลัวสัตว์ด้วยคารนเจอก็ฆ่าเขาเนี่ยนทำบาปด้วยความกลัวดวงวิญญาณก็จะมีแต่ความตัวหุ้มห่ออยู่ แล้วก็พวกที่ไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านารกก็คือพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาททำด้วยความโกรธความความเกลียดความชังเพราะเวลาใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจทำให้เสียใจหรือทำให้เสียหายหเดือดร้อนก็ต้องร่างแคน ตาต่อตาฟันต่อฟันผู้ที่ทำบาปจึงทำให้มีหรือความโกรธความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธหุ้มห่อจิตใจพอตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ที่หุ้มห่อจิตใจอยู่เราจะนึกเห็น สภาพของดวงวิญญาณที่เป็นเปรตหรือเป็นอสูรกายหรือเป็นนรกได้อย่างไรก็ขอให้เรานึกถึงตอนที่เรานอนหลับ <c oughs> เวลาเรานอนหลับนี้ร่างกายกับดวงวิญญาณจะแยกออกจากกันชั่วคราวเหมือนกับตอนที่ร่างกายตายไปตอนที่ตายนี้ร่างกายกับดวงวิญญาณจะแยก ออกจากกันอย่างถาวรไม่มีการกลับมาเชื่อมต่ออีกแต่ช่วงที่เรานอนหลับนี้ดวงวิญญาณกับร่างกายจะแยกออกจากกันชัว่วคราวแล้วตอนนั้นดวงวิญญาณก็จะมีภาพเหตุการ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาในดวงวิญญาณภาพเหตุการ์เหล่านี้เราเรียกว่าความฝัน เวลาเรานอนหลับเนี่ยเราจะมีภาพเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาในดวงวิญญาณของเรามีทั้งเหตุการณ์ที่ดีมีความสุขแล้วก็มีทั้งเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีความทุกข์อะไรทำให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีและดีปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่เรานอนหลับกัน ก็คือบุญหรือบาปที่เราทำกันณนะตอนที่เราเตื่นนี่เองเวลาเราเตื่นเวลาเราไปทำบุญก็เหมือนกับเราไปบันทึกภาพดีๆมาเก็บไว้ในใจบันทึกเหตุการณ์ดีๆมาเก็บไว้ในใจเวลาไปทำบาปเราก็ไปบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาเก็บไว้ในใจของเรา พอเวลาเรานอนหลับเวลาร่างกายนอนหลับใจก็จะมีมโนภาพที่ได้บันทึกไว้ในตอนที่ตื่นนี้มาปรากฏให้ได้ได้สัมผัสได้รับรู้เนี่ถ้าทำบาปก็จะมีแต่ภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าดูที่น่ากลัวที่มีแต่ สร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความาหวาดกลัวให้กับเช่นเราฝันร้ายเรียกว่าฝันร้ายถ้าเราไปทำบุญไปทำความดีต่างๆาเวลาเรานอนหลับเราก็จะมีภาพเหตุการณ์ที่ดีที่ให้ความสุขกับเราปรากฏขึ้นมาในดวงวิญญาณของเรา นี่แหละคือสภาพของดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่มีร่างกายเราใช้ร่างกายเป็นผู้ไปหาภาพไปหาเหตุการ์ต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสเนี่ยพอเราเตื่นขึ้นมาเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขจากสถานที่จากเหตุการ์ต่างๆ แต่พอเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็เลยต้องอาศัยภาพที่เราได้เคยบันทึกเอาไว้ในอตอนที่เรามีร่างกายตอนที่เราตื่นนะควับเรามาทําบุญกันบ้างมาทําบาปบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ความต้องการของเราบางทีความต้องการของเราก็บีบบังคับให้เราต้องไปทําบาป บังทีความดีของเราความเมตตาของเราก็ส่งให้เราไปทำดีไปทำไปบันทึกภาพที่ดีไว้ในใจของเรานี่แหละคือช่วงที่เราไม่มีร่างกายเราจะอยู่เหมือนกับคนนอนหลับแล้วเราจะมีภาพ เหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีมาให้เราได้เสพได้สัมผัสแทนที่จะใช้ร่างกายไปหาภาพหาเหตุการณ์มาให้เราสัมผัสเราก็เอาภาพหรือเหตุการณ์ที่เราเคยทำเอาไวน้นี้ที่มีฝังอยู่ในใจนี้มาให้เราเสพมาให้เราสัมผัสเนี่ยถ้าเราไปบันทึกแต่ภาพที่ไม่ดี เราก็จะมีแต่ภาพที่ไม่ดีให้เราดูถ้าเราไปบันทึกภาพที่ดีเราก็จะมีแต่ภาพที่ดีให้เราดูเช่นเวลาเราไปทำบุญเราไปทำความดีเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจความรู้สึกและภาพเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะถูกบันทึกไว้ในใจของเรา เช่นเดียวกับเวลาที่เราไปทําบาปไปทําอะไรไม่ดีเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาภายในใจความรู้สึกไม่ดีและเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีนี้มันก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในใจเหมือนกันแล้วพอตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว เราคือดวงวิญญาณก็จะใช้ภาพเหตุการ์ต่างๆที่เราได้บันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ภาพเหตุการ์นี้มันก็จะแบ่งไว้เป็นสองส่วนภาพเหตุการ์ที่ดีที่ให้ความสุขกับเรากับภาพเหตุการ์ที่ไม่ดีที่ให้ความทุกข์กับเราเวลาเราตายไป ภาพสองฝ่ายนี้จะมาจัดคิวกันว่าใครจะมาสแสดงก่อนเหมือนภาพยนตร์ที่ไปเข้าโรงภาพยนตร์นี้เขาต้องจัดคิวจะฉายทีเดียวสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้ต้องมีคิวเอาหนังเอาหนังเรื่องนี้ก่อนแล้วก็หนังเรื่องนี้ต่ออันนี้ก็เหมือนกันภาพที่เราบันทึกไว้ ที่เกิดจากการทำบุญและเกิดจากการทำบาปมันก็จะมาจัดคิวโดยอัตโนมัติคือฝ่ายไหนมีภาพมากกว่ามีกำลังมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ฉายภาพก่อนฝ่ายฝ่ายไหนที่มีกำลังน้อยกว่าก็ต้องรอไว้ก่อนดังนั้นเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี้เรามักจะมีการทำบุญบ้างมีการทำบาปบ้าง ส่วนใหญ่เราจะทำแบบกลางๆคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปกันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี้จะไม่มีผลต่อดวงวิญญาณของเราเวลาที่ร่างกายตายไปเราทำอะไรที่เราเรียกว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปก็ทำหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นไปทำงานที่สุดจริญ ไมไม่ว่าจะเป็นงานชนิดไหนเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือการดูแลร่างกายของเราอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวออกกําลังกายการกระทําเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปได้จะต้องมีผลกระทบต่อผู้อื่น ถ้าเราทำอะไรแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเราจะเรียกว่าเป็นบาปถ้าเราทำอะไรแล้วทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเขาได้ประโยชน์จากการกระทำของเราเราถึงจะเรียกว่าบุญแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่นเราก็จะเรียกว่าไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปการไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี้ก็มี มีผลต่อการไปเกิดของเราเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราอยู่มีชีวิตอยู่บุญเราก็ไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ได้ทำเราทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคือดูแลชีวิตของเราเลี้ยงดูชีวิตของเราทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญแต่เราไม่ได้ เราไม่ได้ทำบาปจากการทำมาหากินแต่เราก็ไม่ได้ทำบุญถึงแม้เราจะมีเงินเหลือเฟือเราก็เก็บเอาไว้ใช้ของเราคนเดียวอย่างนี้ก็เป็นใจที่จะเวลาตายไปก็จะไปได้จะไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าไม่มีบุญดึงไปสวรรค์ไม่มีบาปดึงไปอาบาย หรือถ้าเราทำบุญด้วยทำบาปด้วยเวลาตายไปถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ดวงวิญญาณก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปนี่คือเรื่องของพวกเราที่จะเป็นอะไรกันต่อไป เราก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราทำบุญหรือเราทำบาปกันมากน้อยอย่างไรทุกครั้งที่เราทำบาปมันก็จะสะสมไว้ภายในใจทุกครั้งที่เราทำบุญมันก็จะสะสมไว้ภายในใจของเราในขณะที่เราทำเราก็จะได้สัมผัสกับผลของบุญของบาปทันทีด้วย เวลาทำบาปใจเราจะทุกข์ใจเราจะร้อนใจเราจะไม่สบายใจจะมีความรู้สึกหวาดกลัววิตกเวลาเราทำบุญใจเราจะรู้สึกเย็นสบายรู้สึกอิ่มรู้สึกอพ อ, อไม่หิวโหวยนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาป ในขณะที่เราตื่นในขณะที่เรามีร่างกายแล้วมันจะเป็นผู้ที่จะส่งให้ดวงวิญญาณของเราเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรามีบุญทาบุญมากกว่า บ, บาปบุญก็จะเป็นผู้ส่งผลให้กับดวงวิญญาณจะมีแต่เหตุการณ์ดีๆปรากฏขึ้นมาในดวงวิญญาณมีที่ ที่สวยๆงามๆ ม, มีสิ่งสวยๆงามงามมีสิ่งที่ดีต่างๆมาให้ความสุขกับเราเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันดีนั่นเองเวลาฝันดีตื่นขึ้นมายังไม่อยากจะลุกเลยอยากจะฝันต่อเพราะว่าเวลาตื่นขึ้นมามันเป็นกลางๆมันไม่สุขไม่ทุกข์ แต่เวลานอนหลับนี่ถ้าฝันดีมันสุขมากกว่าตอนที่ตื่นก็เลยไม่อยากจะตื่นกันอยากจะนอนต่อฝันดีในทางตรงกันข้ามถ้านอนหลับฝันร้ายพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากไม่อยากจะนอนอีกเลยไม่กล้านอนกลัวกลัวเดี๋ยวนอนหลับแล้วเดี๋ยวไปฝันร้ายอีกนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ เราไม่มีร่างกายเราก็จะมีเหตุการณ์ที่ดีหรือที่ไม่ดีมาปรากฏในในใจหรือในดวงวิญญาณของพวกเราถ้าเราไปทำอะไรที่มีแต่ทำบาปด้วยความโลภเนี่ยเราก็จะมีแต่เหตุการณ์ที่เกิดจากการทาบาปของเราทำให้เราไปอยู่ในที่ที่มีแต่การ แก่งแย่งชิงดีกันแล้วเราก็อดอยากขาดแคลนหิวโหยถ้าเราไปทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมีการฆ่าฟันกันมีการอะไรกันไปอยู่ในสงครามอะไรทานองนี้ถ้าเราไปทำการอาคาตพยาบาทเราก็จะมีแต่ภาพ เหตุการณ์มีคนมาจองลังจองผานเรามาคอยตามค่าตามร่างแค้นเรานี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณแต่ตอนนี้เราได้ร่างกายมาเกาะเหมือนกับเป็นม้าให้เราขี่นีร่างกายนี้เป็นเหมือนม้าให้เราขี่ เราเป็นเหมือนขนเหมือนขนขี่มา้าเราก็สั่งให้ม้าพาเราไปที่นั่นที่นี่เราอยากจะไปเที่ยวเราก็ให้ม้าพาไปอยากให้พาเราไปดูหนังก็สั่งให้ม้าพาเราไปอยากจะไปกินอาหารอยากไปดื่มเครื่องเดื่มอยากจะไปรับประทานขนมเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปอันนี้ ตอนนี้เราทําอย่างนี้ถ้าการกระทําของเราไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายก็ไม่เป็นบาปถ้าไม่ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็ไม่เป็นบุญเวลานอนหลับก็จะไม่มีฝันเฉยๆฝันแบบจืดๆชืดๆฝันแบบไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะเราไม่ได้ทำสร้างสร้างความสุขจากการกระทําของเรา หรือสร้างความทุกข์จากการกระทำของเราเรา้าฝันก็จะฝันแบบไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่สุขไม่ทุกข์ฝันไปแบบเฉยๆเหมือนดูภาพยนตร์สารคดีดูไปไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์จากการดูเหมือนกับดูภาพยนตร์ถ้าดูภาพยนตร์ผีภาพยนตร์สงครามก็จะมีความ ทุกมีความหวาดกลัวต่างๆถ้าดูภาพยนตร์ที่เรียกว่าภาพยนตร์ักคนรักกันคนหนุ่มคนสาวเจอกันเป็นแฟนกันมีความสุขกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราตื่นตอนที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราจะไปทำอะไรกัน น, นี่คือพบของผู้สิ่เสภการม ผู้ที่เสพการเวลาตื่นก็จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันบางทีหาหาแบบไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ก็เลยต้องไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นไม่มีเงินเที่ยวอยากจะเที่ยวอย่างก็ต้องไปลักขโมยเงินของอื่นมาคนอื่นมาเที่ยวก็ทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาจากการที่เราไป ทำ้ายเขาไปลักทรัพย์ของเขาเพื่อที่เราจะได้เอาเงินไปเที่ยวกันอันนี้ก็เป็นการกระทำบาปในทางตรงกันข้ามเราเป็นคนขยันทำมาหากินเราไม่ชอบทำบาปเวลาเรามีเงินทองมากกว่าที่เราจะใช้ได้เราไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมตายไปก็เอาอไปไม่ได้เราก็เอามาให้คนอื่น เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขเหมือนเราเราก็ได้ทำบุญแต่เราก็จะอยู่เราก็จะกลับมาเกิดอยู่ในกามบมาภพนี้ถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เวลาตายไปถ้าบุญพาไปก็พาให้เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นรส ที่เราเรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เนยะคือภาพที่ปรากฏในดวงวิญญาณของเราเป็นภาพที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราทำบุญไว้มากกว่าทำบาปถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเราก็จะมีภาพที่หน้าหน้าหวาดเสียวหน้าหน้ากลัวหรือภาพที่ทำให้เราหิวโหยมาให้เราได้เสพได้สัมผัส จนกว่าภาพเพื่อเหตุการณ์เหล่านั้นมันหมดเน่มันก็จะปล่อยให้เรามารับร่างกายอันใหม่ต่อไปมาเกิดใหม่พอเรามาเกิดใหม่เราก็มาทําแบบเดิมเราชอบเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสเราก็จะไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาเสบกันชอบดูหนังฟังเพลงก็จะไปดูหนังฟังเพลงชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยว ทำอย่างนี้ไปกลับไปกลับมาวนเวียนอยู่ในนี้จะเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในกลา ม, มาพบสาหรับผู้ที่ชอบเสพกลามเสพรูปเสียงกลิ่นรสนะแต่มีพวกมีคนอีกจำพวกหนึ่งที่เขาได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสมาเสเพนะ เราเรียนรู้วิธีเสพความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเกิดจากการฝึกสมาธินั่งสมาธิให้จิตใจสงบเข้าสู่ระดับฌานขั้นต่างๆได้ถ้าเขาสามารถฝึกจิตให้เข้าสู่ระดับรูปฌปานได้เวลาตายไปเขาก็จะไม่มาเกิดในการมาพบเหมือน ผู้ที่เสกกรมเกิดจะไม่ไปเป็นเทวดาหรือถ้าถ้าทำบาปแต่เขาไม่ทำบาปเขาก็จะไม่ไปเป็นไปไปเป็นอบายไปเกิดในอบายเขาจะไปเกิดอีกภพหนึ่งที่เรียกว่ารูปภพภพของผู้ที่หาความสุขจากรูปฌปานนะถ้าสามารถฝึก สมาธิได้เก่งกว่ารูปขั้นรูปปัจจานก็จะได้ขั้นที่สูงกว่าความสุขที่ขั้นขั้นที่สูงกว่ารูปปัจจานเรียกว่าอารูปปัจานเนี่ยเวลาร่างกายตายไปเขาก็จะไปเกิดอยู่ในรูปรูปภพรูปภพอรูปภพขั้นที่อรูปภพถ้าได้อรูปปัจานก็ไปอยู่ที่อรูปภพเนี่ย รูปภพกับรูปภปพนี้ผู้ที่ไปอยู่เขาเรียกว่าพรหมเป็นสวรรค์ชั้นพรหมมีรูปภปพพรมกับอรูปภพ ม, มีความหยาบละเอียดต่างกั น, ร, ปป ร, น, นกาารูปประชานี้หยาบกว่าอรูปปัจจาความสุขน้อยกว่าอารูปปัจจานสัมนีคือสำหรับพวกที่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ จะถือศีลจะไปฝึกสติฝึกสมาธิไปเป็นนัก บ, บวชกันตรงนี้ทุกครั้งที่เวลาเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะไปบวชกันเพราะเขาติดวิธีหาความสุขแบบนี้เขาติดวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบสังเกต ด, ดูคนบางคนทำไมถึงไม่มีแฟนถึงไม่มีครอบครัวถ้าไม่ได้บวชก็อยู่คนเดียวเป็นโสดเนี่ย เพราะเขาหาความสุขต่างจากคนอื่นคนที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องแต่งงานต้องมีครอบครัวต้องมีสามีมีภรรยาเพราะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของคู่ครองของตนนั่นเองเวลาเห็นหน้าคู่ครองก็มีความสุขได้ยินเสียงของคู่ครองก็มีความสุข ก็เลยติดในการที่จะเสพกามกันพวกนี้เวลามาเกิดที่ลายก็จะต้องมีครอบครัวมีแฟนจะต้องไปเที่ยวไปหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงดูละครมหัศลศพบันเทิงต่างๆอนี้คือพบทั้งสามที่ดวงวิญญาณของพวกเรานี้มามาเวียนว่ายตายเกิดกัน จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเสพมาเสพความสุขชนิดต่างๆเสพกามาสุขเสพรูก ป, ประชานเสรประูประชานพอร่างกายตายไปก็ย้ายพรบจากจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาถ้าทำบุญถ้าทำบาปก็ไปเป็นเดชะฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรก ถ้ามาถือศีลมานั่งสมาธินั่งสมาธิได้รูปประชานก็จะไปรูปภพถ้าได้อารูปปัจานก็จะไปอรูปภพแต่ภพเหล่านี้มันเป็นภพไม่ถาวรคือไปอยู่ได้สักระยะหนึ่งพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปอรูปภพ พอบุญที่ส่งให้ไปรูปภพหมดก็เลื่อนลงมาสู่รูปภพสู่กามาพบสู่การเป็นเทวดาแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ไปที่ต่ําก็เหมือนกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดี๋ยวก็าตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไปอยู่ในนรกเป็นเปรตเป็นอนุสรกายเพราะบาปหมดกําลัง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ผู้ที่มาเกิดจากที่ต่ำที่สูงนี้จะมีนิสัยไม่เหมือนกันคนที่มาจากที่ต่ำมักจะมีมีความนิสัยบาปติดตัวมาคือชอบทําบาปติดตัวมาพวกที่มาจากที่สูงนี้จะมีนิสัยชอบทาบุญติดตัวมาเราถึงเราจึงมีคนสองพวกนี้คุกเขากันสามพวก พวกที่ไม่ชอบทำบุญพวกที่ไม่ชอบทำบาปก็มีมีอยู่สามพวกโดยกันเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะมาคุกเข่ากันอยู่ในโลกของมนุษย์นี้คนบางคนก็ชอบทำบาปเหลือเกินคนบางคนก็ชอบทำบุญเหลือเกินคนบางคนก็ไม่ชอบทำบุญทำบาปแล้วถ้าเขาทาตามที่เขาชอบเดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปเขาก็ไปรับผล ที่เขาทำอีกก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นพวกเราเนี่ยทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนล้าน ช, ชาติแล้วแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่ า, วาถึงแม้โลกของมนุษย์นี้จะมีความสุขมันก็มีความทุกข์มาด้ว ย, เ, ยเวลาเจอความทุกข์เราก็ร้องห่มร้องไห้กันทุกข์กับ การสูญเสียทุกข์กับการพัดพลาคจากสิ่งที่เรารับจากบุคคลที่เรารักเรืทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็ทําให้เราร้องโหย่ร้องไห้และยังต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์กับความตายของร่างกายอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรา มาเกิดเป็นมนุษย์นี้กี่แสนนานครั้งแล้วก็เอ้าน้ําตาที่เราได้หลั่งในแต่ละครั้งนี่มารวบรวมกันนะน้ําตาที่เราหลั่งมานี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรนะคิดดูสิว่าเราต้องมาเกิดกี่ครั้งมาร้องห่มร้องไห้กันกี่ครั้งถึงจะมีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรนี่แหละคือจํานวน พบชาติที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีวันสิ้นสุดด้วยจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆและเราไม่รู้ว่ามีวิธีที่จะทำให้เราหยุดมาเกิดได้หรือไม่ ความรู้ระดับนี้เป็นความรู้ที่พวกเราไม่มีความสามารถที่จะคิดเอาเองได้หรือแม้แต่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นใครเรายังไม่รู้กันเลยเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายกันอันนี้ก็เป็นความคิดผิดละเป็นความเข้าใจผิดละเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณเพียงแต่ว่าดวงวิญญาณมันมองไม่เห็นนั่นเองเราไม่สามารถใช้ตาของร่า ง, างกาย มองเห็นตัวของเราได้มองเห็นดวงวิญญาณของเราได้เราเลยไม่เราเลยไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็จะคิดว่าพอร่างกายตายไปเราก็จบเราก็จะสูญหายไปหมดแต่นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบไม่ตรงกับความจริง ความจริงคือเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาเกาะติดกับร่างกายเพื่อใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองนะแต่เราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็ไม่มีใครบอกเราสอนเราพ่อแม่เราก็บอกว่าร่างกายนี้เป็นเราเพราะพ่อแม่ก็มีความคิดมีความเห็นแบบเดียวกัน เหมือนคนโบราณเขาก็คิดว่าโลกนี้แบนกันไม่มีใครคิดว่าโลกนี้กลมกันจนกว่ามีคนฉลาดมานั่งคิดนั่งพิสูจน์ถึงจะค้นพบว่าโลกนี้มันไม่แบนอย่างที่คิดกันโลกนี้มันกลมฉั้นใดเรื่องของดวงวิญญาณของพวกเราเนี้ก็นานๆจะมีคนฉลาดมาค้นพบว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณ ที่ท่องเที่ยวอยู่ในไตพบอยู่ในขณะนี้คนคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี่เองที่เราเรียกว่าตัดสั้รู้ก็ตัดสรู้เรื่องนี้เรื่องดวงวิญญาณเรื่องตัวเราเนี่ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้ทรงรู้ได้ว่าอะไรทําให้เราต้องมามีร่างกายมาเกาะติดกับร่างกายมีอะไรมี ถึงพาให้เราต้องไปเกิดอยู่ในไตพบอยู่ได้เรื่อยพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดในกามมาพบกันก็คือความอยากเสพกามนี่เองความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกมือกาย พ, พอเวลาที่เราเป็นดวงวิญญาณพอเราไปรับผลบุญผลบาปหมดแล้ว มีสิทธิ์ที่จะไปรับร่างกายเราก็จะไปคอยหาดูว่าตอนนี้มีใครแต่งงานกันมีใครกำลังจะผลิตลูกขึ้นมาพอมีลูกตั้งอยู่ในท้องแต่ไม่มีใครมาจับจองก่อนเราเราก็ไปจับจองทันทีไปเกาะติดทันทีแล้วก็อยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือนพอจากท้องแม่มาเราก็คิดว่าเราเป็นเด็กคนนั้นแต่ความจริงเราเป็นเพียงแต่ผู้ส่งกระแส การรับรู้นี้ไปเกาะติดที่ตาหูจมูกเล่นกายเท่านั้นเองเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพนะครแต่เนื่องจากเรามองไม่เห็นตัวเราเราเห็นแต่ร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายและเหตุที่ทำให้เรามาเกิดใน กามาพบมามามีร่างกายก็เพราะเรามีกามาตัณหามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองถึงเราถึงอยากจะดูก็ต้องมีตาดูอยากจะฟังก็ต้องมีหูฟังแล้วก็มีร่างกายนี่แหละที่มีตาหูจมูกลิ้นกายให้เราเสพกันเราเลยกลับมาเกิดกันเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพกันแล้วก็มาทำบุญทำบาปในระหว่างที่เราหาสิ่งต่างๆที่เราต้องการกันแล้วพอร่างกายตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปไปเป็นเทพไปเป็นเปรตไปเป็นเดชะชานไปเป็นอสุรกายหรือไปนรกกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในการามมาพบก็ต้องเลิกเสพกามอย่าไปอยากเสพอย่าไปอยากดูอยากฟังอยากจะไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอ ย, อย่าไปอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าเรายุติได้ยุติความอยากได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดวิธีที่เราจะเลิกเสพกามก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุข ไปเป็นหาความสุขแบบพวกนักบวชไปถือศีลไปฝึกนั่งสมาธิพอเราได้สมาธิได้รูปประชานเราก็เลิกเสพกามได้ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็นั่งหลับตาทำใจให้สงบเข้าสู่รูปประชานเราก็จะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการเสพกามเราก็จะไม่มีวันที่จะกลับไปเสพกามอีกต่อไป เพราะเราเห็นว่าความสุขมันต่างกันเหมือนถ้าเราได้บ้านที่ดีกว่าบ้านเก่าเราจะไม่กลับไปอยู่บ้านเก่าได้บ้านที่ใหม่ทันสมัยมีเครื่องใช้ไม้สอยทันสมัยบ้านเก่าฝนตกน้าก็รั่วฝนตกบางทีน้ำก็กท่วมไฟฟ้าบางทีก็ดับอยู่แบบนั้นมันไม่สุขพอเราไปได้บ้านใหม่ที่ไม่น้าไม่ท่วม ฝนไม่ร้่วแล้วมีเครื่องอํานวยความสะดวกความสุขทุกรูปแบบแบบทันสมัยแบบกดปุ่มปับ๊บก็เกิดขึ้นมาปับ๊บพอเราได้ได้บ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่าเราก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านเก่าเออันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่เราได้จากรูปประชานีน้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากควาการเสพการเสพรูปเสียงกลิน่นรส พอเราเข้าสมาธิเข้าฌานเป็นนะักเราไม่ไปเที่ยวแล้วไม่ไปมีแฟนไม่ไปมีครอบครัวไม่ไปดูหนังฟังเพลงแล้วทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็เข้าสมาธิไปเข้ารูปฌปานไปแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่าขั้นรูปฌปานเราก็เพิ่มสติให้มีกำลังมากขึ้นแล้วสติก็จะพาให้จิตเข้าสู่ขั้นอรูปฌานต่อไปได้ นี่คือวิธีทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดการมาพบคือให้เราไปหาความสุขจากรูปปัจานกับอารูปปัจานกันแต่ความสุขหรือผลที่เราได้จากการได้รูปปัจจานหรืออารู ป, ประชานก็จะพาให้เราไปเกิดในพมในพมมาโลกในรูปภพและอารูปภพก็ยังทําให้เราติดอยู่กับตายภพอยู่ พะเวลาสมาธิเสื่อมลงเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาฝึกมานั่งสมาธิมาเติมสมาธิให้กับใจใหม่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเสพการแต่เราก็ยังต้องมีร่างกายที่จะพาให้เราไปทำสมาธิไปนั่งสมาธิทำอะไรต่างๆ หรือว่าเวลาที่กําลังของสมาธิมันเสื่อมลงความอยากเสพการมันยังไม่ได้ตายไปมันก็ดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพกามแต่พอมาเสพกามเราก็เราก็รู้ว่ามันสู้การไปนั่งสมาธิไม่ได้เราก็กลับไปนั่งสมาธิต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดในไตายภพนอกจากการหยุดความอยากเสพการแล้ว เราต้องหยุดความอยากเสบรูปประชานกับอรูปประชานด้วยอันนี้เป็นขั้นสูงขั้นของการปฏิบัติที่ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องรู้ว่าการเสบชาญการเข้ารูปประชานนี้ยังทำให้เราติดอยู่ในรูปภพการเข้าอรูปประชานยังทำให้เราต้องกลับมาเกิดในอรูปภพ ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดทั้งสามภพเราก็ต้องเลิกทั้งความอยากทั้งสามชนิดเลิกกา ม, มาตันหาความอยากเสพการเลิกภาวะตันหาการอยากจะเสพรูปฌปานเลิกวิภาวะตันหาการอยากจะเสพรูปฌปานวิธีที่เราจะเลิกได้นี้เราต้องมีวิปัสสนาคือมีปัญญาปัญญาก็คือให้เห็นว่าการ เสพความสุขจากการจากรูปประชานหรือจากอารูปประชานนี้มันยังทำให้ใจเราต้องทุกข์อยู่ยังพักต้องทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราเลิกเสพกามได้เลิกเสพรูปปัจจานได้เลิกเสพอารูปปัจจานได้มันก็จะไม่มีความอยากที่จะดึงดวงวิญญาณของเราให้กลับม า, ามาเสพรูปปาน มาเสการมาเสบรูปประชานหรือเสประูปประชานเนอันนี้เป็นขั้นที่ขั้นปฏิบัติที่ต้องไล่ไปเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนแรกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราปิดประตูบายก่อนด้วยการละา ก, การกระทำบาปทั้งปวง าการไปก็เกิดในอบายนี้มันทุกข์ทรมานอย่าทําบาปแล้วเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วก็ให้ทําบุญมากๆให้ทําบุญมากกว่าทําบาปแล้วเวลาตายไปดวงวิญญาณก็ยังได้ไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทพต่างๆพอเราทําขั้นสองขั้นนี้ได้แล้วเราถึงมีกาลังที่จะไปทาขั้นที่สาม คือให้เรามาหยุดความอยากทั้งสามวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามได้ก็ต้องอาศัยการฝึกสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนฝึกสมาธิทำให้ใจเรานี้หยุดความอยากได้เวลาใจเราสงบนี้ความอยากจะหยุดทํางานชั่วคราวแต่มันยังไม่หมดไปมันหยุดเวลาออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ ถ้าอยากจะทำลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนามาสอนใจว่าถ้าอยากแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาเกิดถ้าอยากกลับรูปเสียงกลิ่นนิดก็จะกลับมาเกิดในกายมรรถ้าอยากกลับรูปประชานก็จะกลับมาเกิดในรูปภพถ้าอยากจะเสพอารูปประชานก็จะกลับมาเกิดในอรูปภพ ถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องอยู่เฉยๆไม่เสพการไม่เสพรูปประชานไม่เสพปรรูปประจานการที่จะอยู่เฉยๆได้นี้ต้องมีสติและมีปัญญาคอยคอยสอนคอยเตือนใจพออยากจะไปเข้าฌานก็ไม่ได้พออยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ให้อยู่เฉยๆเดินจงกรมไปเลยคอยควบคุมความอยากฝืนความอยากไป อย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากทั้งสามนี้ก็จะหายไปหมดไม่มีความอยากมาฉุดลากให้เราไปเสพกามไปเสพลูกประชานไปเสปรูปประชานเาปปามื่อใจไม่มีความอยากมาฉุดลากไปเกิดในตายพบใจก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่เวีเวยนว่ายตายเกิดนี้เราเรียกวันนิพพาน ที่ผ่านนี้คือ ท, ที่ใจไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายในตายพบอีกต่อไปที่ผ่านก็คือจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้องผู้ที่ได้สงค้นพบว่าการที่เราดวงวิญญาณของพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันในตายพบนี้ก็เกิดจากการ ความอยากทั้งสามความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าเสบกามก็จะพาให้เรามาเกิดในกามประพบความอยากที่จะเสบรูปประชานก็พาให้เรามาเกิดในรูปประพบความอยากที่จะเสบารูปประชานก็จะพาให้เรามาเกิดในอรูปประพบเนี่ยถ้าเราสามารถฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากทั้งสามนี้ได้ ความอยากที่เคยฉุดกใจให้เรามาเกิดในใจพบมันก็จะหมดกาลังไปมันก็จะไม่สามารถที่จะมาดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่ได้อีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ตายไปสองพันห้าร้อยกับปีแล้ว พอตายไปท่านไม่ไปกามาพบไม่ไปรูปประพบไม่ไปเป็นเทวดาไม่ไปเป็นพรหมไม่ไปเป็นอรูปประพรมอย่าว่าแต่ไปอบายท่านไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดอยู่แล้วท่านก็ไม่ไปอบายทำบุญแต่ท่านก็หยุดความอยากที่จะไปเสพผลบุญได้ท่านไม่มีความท่านไม่ได้ทำบุญด้วยความอยากท่านทำบุญด้วยความเมตตา ท่านก็ถึงแม้จิตของท่านจะสงบจะเย็นจะสบายแต่จิตของท่านไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆท่านเลิกเสบรูปประจานท่านเลกเลิกเสบอารูปประจานเพราะท่านเห็นว่าการไปเสบรูปประจานและอารูปประจานถึงแม้จะเป็นความสุขที่ละเอียดมันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เพราะมันยังต้องเสื่อมมันยังต้องหมดอยู่นะครับ ท่าน อ, อะไรเลิกหมดทั้งสามความอยากไม่เสพรูปไม่เสพกามไม่เสพรูปประชานไม่เสปรูปประชานเมื่อไม่มีความอยากทั้งสามหลงเหลืออยู่ในใจใจก็ไม่มีอะไรที่จะดึงมาให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดนี้เราก็เรียกว่านิพพานเนี่ยใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิพพาน ใจของพระอาลันตสาวกนี้เป็นนิพพานเพราะท่านได้ปฏิบัติชำระจิตใจของท่านให้สะอาดหมดจดได้อย่างเต็มร้อยกาจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หายหมดไปได้ท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดวงวิญญาณของท่านกับดวงวิญญาณของพวกเราก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรสามารถทําให้ เป็นนิพพานได้ทุกดวงวิญญาณถ้ารู้จักวิธีทำแล้วอยากจะทำหรือไม่เท่านั้นเองถ้ารู้จักวิธีทำแล้วมีความยินดีที่จะทำเดี๋ยวก็ทำได้เหมือนบ้านเนี่ยที่มันสะกะปรกเนี่ยถ้าอยากจะทำให้มันสะอาดก็ทำได้ทุกคนอยู่ที่ว่าอยากจะทำหรือไม่ถ้าเห็นว่าความสะกะปรกนี่มันไม่ดีความสะอาดของบ้านมันดีความสะกะปรกแล้วทาให้เรารู้สึก ไม่น่าอยู่ไม่นะไม่มีความสุขกับความสะอาดของบ้านทำให้มันน่าอยู่ทำให้เรามีความสุขเราก็มีเครื่องมือเนี่ยเราก็มีไม้กวาดมีไม้ถูบ้านใครอยากจะทำก็ทำได้ใครไม่อยากจะทำก็ไม่ทำเท่านั้นเองเดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนนี้มีมีความสามารถที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ทุกคน เพราะเรามีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบมามอบให้กับพวกเราเครื่องมือก็คือนี่ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงให้เราทําบุญทากุศลให้มากๆแล้วให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการฝึกจิตตภาวนาสมถภาวนาทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วก็ให้ใช้วิปัสนามาสอนใจไม่ให ทำตามความอยากทั้งสามอีกต่อไปเนี่ยทุกคนทําได้เนี่ยภาษาวกก่อนจะเป็นสาวกก็เป็นเหมือนพวกเรานะี่ยที่ยังเสพกรามกันอยู่ยังเสพรูปประชานยังเสพรูปประชาญกันอยู่พอไม่รู้วิธีที่จะทําให้การหยุดเสพนี้ทำอย่างไรแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงสองคนพบวิธีพระองค์ก็เอามาสอนพอสอนปั๊บพวกที่อยากจะออกจาก กองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็หยุดความอยากทั้งสามเนี่ยเป้าหมายของการหยุดความอยากหรือรางวัลของการหยุดความอยากทั้งสามคืออะไรก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองนี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเราต้องมาหยุดความอยากกันเพราะถ้าเราไม่หยุดความอยากเราจะต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อย พอเกิดแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมาเกิดดีหรือเกิดไม่ดีก็ตายเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเกิดเป็นขอทานก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเกิดเป็นมหาเศรษฐีเกิดเป็นยาจกก็ต้องเป็นก็ต้องมาแก่เจ็บตายเหมือนกันมีแต่การมาเกิด เพิ่มมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตานั้นที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทำกันดวงใจของท่านกับดวงใจของพวกเราไม่ต่างกันมีความสามารถเท่าเทียมกันทำงานแบบเดียวกันได้ชนิดเดียวได้เหมนคนที่มาทาความสะอาดบ้านนี้ ทำได้ทุกคนอยู่ที่จะอยากทำหรือไม่อยากทำอยู่ที่ว่ามีเครื่องไม้ <C> e <ars> เครื่องมือทำหรือไม่ถ้ามีไม้กวาดมีผ้า ถ, ถูมีอะไรเก็บกวาดทุกคนทำได้หมดถ้าจะทำอย่างใดการมาชำระใจของเราก็เือนเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านของเรานี่พวกเราทุกคนทำความสะอาดใจของพวกเราได้กันด้วยกันทุกคนพวกเราเลิกทำบาปได้ด้วยกันทุกคน ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำบาปกันแล้วตอนนี้เรานั่งเฉยๆเราก็ไม่ได้ทำบาปลแล้วแสดงว่าเรามีความสามารถทำบาปไม่ทำบาปกันได้ kills, แล้ววันนี้เราก็เอาข้าวของเงินทองมาบรจิจาคเราก็มีความสามารถทำบุญได้แล้วเรามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้เรานั่งเฉยๆไม่คิดอะไรเราก็มีสมาธิขึ้นมาได้ เห็ทุกคนมีความสามารถเหมือนกันหมดในเรื่องของการที่จะมาหยุดความอยากหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราสามารถหยุดกันได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเรากําลังทําอะไรเรากําลังไปไหนกันคนส่วนใหญ่ไม่รู้กัน คิดว่ามาเกิดเพื่อมาหาราบยศสรรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วคิดว่าพอตายไปก็จบไม่มีอะไรตามมาต่อไปถ้าเขาคิดอย่างนี้เขาก็ไม่มาอยากจะมาเสียเวลามามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาลาบบาปมาทำบุญมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะเป็น สิ่งที่เขาไม่เคยทำมาเขาไม่รู้ว่ามีผลมีประโยชน์อย่างไรกับจิตใจของเขาเขาก็จะไม่มาทำกันท่านั้นเองพวกที่ไม่ไปนิพพานก็เพราะเขาไม่รู้ว่านิพพานนี่เป็นที่ที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรจะไปกันเพราะนิพพานไม่มีที่การไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายกันถ้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อย เขาไม่รู้แต่พอเขามาฟังธทำแล้วเขาอาจจะรู้ขึ้นมาพอเขารู้แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขของเขาได้แทนที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็เริ่มมาหาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำคือมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมา เ, าเกิดแกเ่เจ็บตายกันอีกต่อไป พอไม่เกิดแก่เจ็บตายมันก็จะไม่มีทุกข์เมื่อใจไม่มีทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ต้องเกิดจากการเรียนรู้เนี่ยเนี่ยการฟังเทศฟังธรรมการฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันเราจะไม่รู้ว่าถ้าเราทำบาปเราจะต้องไปเป็นดวงเวียนญาณในบากัน ถ้าเราทำบุญเราจะไปเป็นดวงวิญญาณในสวรรค์กันเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะคิดว่าตอนนี้เราต้องหาความสุขอย่างเดียวหาความสุขจากการมีเงินทองมีตำแหน่งมีเกียรติยศมีรางวัล แล้วมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้เสพเนี่ยคนในโลกนี้หากันแค่นี้เองหากันสี่อย่างนี้หาลาบยศสระเสรหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพอตายไปเขาก็จบเขาคิดว่าเขาจบแต่ความจริงไม่จบเดี๋ยวเขากลับมาอีกรอบหนึ่งมีตอนสองเนี่ยตอนหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวมีรอบตอนที่สองตอนที่สาม ตอนนี้แล้วต อ, ตอนนี้ไม่รู้ตอนที่กี่แสนล้านตอนนะน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาความจริงของชีวิตของพวกเราแล้ว เ, เปลี่ยนหักเหชีวิตของเราไปในทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราไปกันคือให้เราไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำสมขั้นข้อด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทาบาปทั้งปวง 2. ให้ทำบุญทำกุศลให้มากที่สุดสให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราสามารถทําทั้งสามข้อ น, นี้ได้สมบูรณ์เราก็จะไปนิพพานกันเราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราที่พวกเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ก็จะได้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้แล้วก็จะได้ควรรีบทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทํากันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกกันอีกต่อไปนั่นเอง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารรวาหาปบื ระปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตซาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพ ดีติโยวิวัจจตนโตสัพพโควินสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังุฏาปจายโนจตารโหธรมมวาธานติอายุวันโสุขาง พาลางัง<า>ช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกปิดใหม่แล้วก็จะของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะทางเฟ e b o o k 400ย t u b บ225วิท y o ออนไลน์15รับฟังบนเขา121รวมทั้งหมด761ท่านค่ะามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะต้องทำอย่างไรถึงจะไปง่ายๆเจ้าคะก็ขยันนี่ยขยันนั้นจะไปง่ายถ้าขี้เกียจก็ไปยาก ยา ง, ง่ายอยู่ที่ความขยนันหรือที่ความขี้เกียจเนี่เฉะนันพยายามบังคับตัวเองให้ขยนันพอขยันแล้วมันก็ง่ายพอขี้เกียจแล้วมันอะไรก็ยากไปหมดฉั้นอยากขี้เกียจพยายามอทําลายความเกลียดค้านด้วยความขยันหมั่นเพียรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วถึง อะไรก็ไม่เกิดเกิดขึ้นมาไม่ได้การกระทาที่ดีต่างๆเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นนะคําำถามต่อไปจากคุณสวัยค่ะการไม่มีลูกเป็นบุญหรือเป็นบาปเจ้าคะถ้ามองทางธรรมมันก็เป็นบุญนะเพราะว่าถ้าเราต้องการไปนิพพานเราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง ถ้าเรามีสิ่งที่เรารักเราห่วงเราหวงเราก็จะทิ้งยากจะไปยากพระพุทธเจา้าทรงตัดว่าลูกคือบ่วงตั้งชื่อลูกว่าราหุนราหุนแปลว่าบ่วงควาจริงไม่ได้ทรงตั้งเวลาได้ทรงทราบข่าวเอามาบอกว่าพระมหเหรีได้คลอดพระราชาลดแล้วพอทรงได้ยินก็อุทานขึ้นมาว่าราหุนราหุนแปลว่าบ่วง ผู้ที่ส่งข่าวมาเลยคิดว่าให้ตั้งชื่อราหุนให้ตั้งชื่อว่าบ่วงแต่ความจริงเป็นการอุทานด้วยปัญญาว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รีบหนีไปเดี๋ยวบ่วงจะลัดคอเอาก็เลยต้องตัดสินหนีจากพระราชวังไปในคืนนั้นเลยนี่แหละคือลูกเป็นทั้งบุญ ถ้าทางโลกก็ถือว่าเป็นบุญมีลูกที่ดีก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามแก่เท่าได้เป็นที่พึ่งพาใ่ได้แต่ก็ถ้าลูกไม่ดีก็เป็นกรรมไป mm hmm. ก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับพ่อแม่ต่อไปจนวันตายคำถามต่อไปจากคุณโนค่ะ mm hmm. เงินที่ถูกลอตเตอรี่นำมาทำบุญถือเป็นเงินบริสุทธิ์ไหมครับ บริสุทธิ์เพราะเงินนี้เป็นรางวัลเราซื้อรอเตอรี่นี้ไม่ไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดถ้าเรารู้จักซื้อไม่ไม่เป็นอบายามุกด้วยคือถ้าเราคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนรัฐบาลเอาเงินไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราก็บริจาคเงินให้กับรัฐบาลรัฐบาลเขาก็ให้ใบเสร็จรับเงินมาเป็นตัวเลขเป็นกระดาษที่มีตัวเลขแล้วพอถึงวันเขาก็จับฉลากกันฮขายโชคดีก็ได้รางวัลไปถ้าทําอย่างนี้ก็ไม่เป็นอบาปยามุกถือว่าเป็นการทําบุญไปแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาหาไรายได้หาจากการมาถูกรางวัลเนี่ย ก็ทุ่มแทมีเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่อย่างนี้ก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้เป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอบายมุขเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณโอยะค่ะกราบขอกาสถามพ่อแม่ครูอาจารย์ก้าวกระผมพยายามติดตามฟังการแสดงธรรมและช่วงถามตอบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอเพราะรู้สึกอิ่มใจกระตุ้นใจกับความรู้ที่ได้รับ จึงพยายามรักษาความรู้สึกให้ต่อเนื่องด้วยการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆต่อไปแบบนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสติได้ไหมครับผมได้แต่มันก็ต้องเป็นเหมือนบาด ท, ทานเพื่อให้เราได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไปคือขั้นปฏิบัตนะิเพราะความสุขที่เราได้จากการฟังเทศฟังธรรมในมันเจือจางหายไปได้เร็ว ถ้าเราอยากจะให้ความสุขอยู่ต่อไปได้นานเราก็ต้องปฏิบัติธรรมมอได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้ความสุขที่หนักแน่นกว่าที่ยั่งยืนกว่าและเราแต่เราต้องอาศัยการฟังธรรมในเบื้องต้นก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างนั่นเองแต่พอเรารู้แล้วถ้าเราไม่ไปปฏิบัติเราก็จะได้แต่ขั้นฟังธรรมอย่างเดียวก็จะไม่ก้าวหน้า คำถามต่อไปจากคุณธู่ค่ะหลวงพ่อครับปฏิบัติอย่างไรครับจะได้จิตสงบต่อไปครับก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาพยายามควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้าพูดคิดเรื่อยเปลือดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปให้คิดแต่คําบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือไม่จากนั้นก็บังคับให้เฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งก็้อยู่กับการเดินยืนนั่งกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นเรามักจะทำสองอย่างร่างกายอาบน้ําแต่เราคิดไปแล้วเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรดีเี่อันนี้แสดงว่าไม่มีสติไม่ควบคุมความคิดเนี่ย ต้องหยุดคิดให้คิดอยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่เรื่องงานที่เรากำลังทำอยู่หรือไม่ฉช่นั้นก็ต้องให้ใช้คำบิกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีสติเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายได้นาน คำถามต่อไปจากคุณชายเล็กค่ะอยากถามว่าเมื่อเวลานั่งสมาธิแล้วหลับไปทั้งที่กำลังนั่งเป็นเรื่องดีหรือไม่ครับ อ, อ๋อมันไม่ได้ผลเงินเรานั่งสมาธิเพื่อให้สงบแต่เรานั่งแล้วเราหลับก็ไม่ได้ผลที่เราต้องการเป็นการนั่งหลับคำถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะความสุขของพรมเป็นแบบไหนหรือเจ้าคะ ความสุขของพมคือการได้ทําความดีไม่เสพกรามหรือเจ้าค้าไม่เป็นการทําใจให้สงบใจสงบนี้จะให้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกรามคําถามที่สองจากคุณนิยาค่ะการสักแต่ว่ารู้คือเมื่อลมเข้าก็รู้ ว่านี่คือความรู้สึกของลมเข้าพอลมออกก็รู้ว่านี่คือความรู้สึกของลมออกโดยที่เราไม่ต้องมนโนภาพอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ไม่ต้องมนโนไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกให้รู้อยู่จุดเดียวไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกให้รู้อยู่ตรงทางเข้าออกคือประตูที่ปลายจมูกน้ำนมจะเข้าออกตรง น, นั้นก็ยืนเฝ้าดูดอยู่ตรงนั้นเหมือนยาม ใจจะได้นิ่งถ้าใจตามเขาออกใจก็ยังต้องทํางานถ้าใจมโนก็ยังต้องทํางานเห็นต้องห้ามไม่ให้คิดให้ไม่ให้ตามลมให้รู้ลมให้ดูลมเฉยๆคํำถามต่อไปจากคุณปีอันนันค่ะจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ ว่าดวงจิตที่ต้องไปรับกรรมในภพบอบายจะรู้สึกกลัวและไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วครับ อ, อ๋อไม่แล้วเมื่บาปที่ทำไว้มันหมดพอหนังจบมันก็ต้องออกจากโรงกันไปมั่เราไปดูหนังผีหนังน่ากลัวกันเดี๋ยวพอเขาฉายหมดมันไม่มีหนังให้เราดูเขาก็เปิดไฟเปิดไฟเราก็ออกจากโรงเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กัน คำถามต่อไปจากคุณอ้อคะ่ะนั่งสมาธิจิตไม่สงบจิตมันฟุ้งออกไปเรื่องอื่นแต่ก็รู้ตัวว่าจิตไม่สงบจะทําอย่างไรคะที่จะให้จิตไม่ฟุง้งกราบหลวงพ่อช่วยชี้แนะคะ่ะไม่ทองพุโทโธเลยทอ่ทองพุโทโธไปแต่อย่าไปสนใจกับความคิดกับอะไรนั่งพอนั่งสมาธิกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็คิดไม่ได้พอไม่พุโทโธมันก็คิดเลื่อยเปื่อยไ ป, ไปฟุ้งซ่านไป มือนเหยียบเหมือนจะขับรถจะให้รถมันหยุดเนี่ยต้องเหยียบเบรกไม่เหยียบ ม, มันก็ไม่หยุดนะมันก็วิ่งของมันไปเรื่อยๆต้องเหยียบแล้วเหยียบไม่ใช่เหยียบครั้งเดียวแล้วปล่อยเหยียบแล้วก็ต้องเหยียบให้มันตลอดจนกว่ารถมันจะหยุดถึงจะปล่อยเบรกได้พอเราเริ่มพุโทโธแล้วเราก็อย่าหยุดพุดโทโธจนกว่าจิตมันจะนิ่งสงบแล้วถึงจะหยุดพุดโทโธได้คำถามต่อไปจากคุณกุณลาค่ะ รามนมัสการสอบถามเจ้าค่ะว่าทุกครั้งที่โทรหาแม่แล้วแม่ร้องไห้เพราะคิดถึงลูกอย่างนี้ลูกจะบาปไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่บาปแม่ดีใจที่ร้องหไห้ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเสียใจร้องไห้ที่ดีใจที่ลูกคิดถึงแม่โทรมาหาแม่แต่แม่ จ, จะมีกิเลสอยากจะให้ลูกคุยกับแม่ทั้งวันพอคุยไม่ได้ก็เลยเสียใจอย่างนี้เป็นกิเลสของแม่มันไม่ใช่เป็นบาปของเรา แม่ก็ต้องรู้จักทําใจว่าคนเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องแยกอยู่กันเพราะจะต้องไปทํางานทําการหนื อ, อะไรจะอยู่กันตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องทําใจแล้วก็จะไม่ร้องไห้ไม่ทุกข์ไม่เสียใจคําถามต่อไปจากคุณโจมคะ่ะทํางานเป็นเสิร์ฟเก็บจานแต่เหล้าเบียร์ขายบาปไหมครับถ้าเราไม่ได้ดื่มเองไม่บาปหรอก การขายสุรานี่ถือว่าเป็นอาชีพไม่ควรเท่านั้นเองถ้าเราเลี่ยงเลียงได้ก็ เ, เลี่ยงเสียเพราะการขายสุราก็จะส่งเสริมให้คนดื่มสุราเมื่อส่งเสริมคนดื่มสุราก็จะส่งเสริมให้คนไม่มีสติไปทําร้ายกันนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณวราค่ะขอกราบถามพระอาจารย์ว่าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมกูกแล้วลมหายใจอ่อนมากจนสัมผัสไม่ได้จะให้ทำอย่างไรต่อไปคะก็ดูเฉยๆดูว่าใจคิดอะไรหรือเปล่าให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ดูความว่างไปแล้วดูว่าคิดหรือเปล่าพอคิดก็ต้องหยุดความคิดคาถามต่อไปจากคุณจัญญาค่ะ เดินจงกรมกับนั่งสมาธิถ้าเข้าใจว่าจงกรมฝึกสตินั่งสมาธิคือฝึกสมาธิผลต่างกันใช่ไหมคะคือเดินจงกรมกับนั่งสมาธิก็จาใช้สติเหมือนกันเพียงแต่ผลที่เกิดจากการเดินมันไม่สงบเท่ากับผลที่เกิดจากการนั่งเพราะเวลานั่งร่างกายไม่เคลื่อนไหวใจไม่ต้องไปควบคุมไปสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว ใจก็จะได้นิ่งมากกว่าถ้าเดินนี้ใจยังต้องสั่งให้ร่างกายเดินอยู่ใจก็จะสงบแบบเต็มที่ไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณสปาณีค่ะเพราะเหตุใดคนที่ฟังธรรมะจึงฟังธรรมะไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจคะก็อาจจะเป็นเพราะภาษาไม่ภาษาคนละภาษามองคนแสดงธรรมใช้ภาษาบาลี คนฟังฟังภาษาไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องบางที่บางแห่งพระท่านชอบใช้ภาษาบาลีพอเทศไปก็ตั้งบาลีขึ้นมาฟังก็งงแล้วให้พูดภาษาอะไรวะถ้าฟัง่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องการฟังต้องใช้ภาษาเดียวกันคนพูดกับคนฟังนี้ต้องใช้ภาษาเดียวกันถึงจะฟังรู้เรื่องถ้าภาษาเดียวกันยังฟังไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าจิตไม่มีสติ ตั้งใจฟังนั่นเองเขาเขาเทศไปแต่จิตเราก็ไปนั่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอท่านเทศจบก็ไม่รู้ว่าท่านเทศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เป็นสองสาเหตุสาเหตุแรกก็คือฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะพูดกันคนละภาษาสองถ้าเป็นภาษาเดียวกันยังไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าจิตไม่มีสติพอที่จะติดตามคําเทศได้ จิไปติดกับความคิดเสียมากกว่าไปฟังความคิดมากกว่าไปฟังเสียงเทศก็เลยฟังไม่รู้เรื่องยันถ้าอยากจะฟังให้รู้เรื่องต้องไปฟังภาษาเดียวกันแล้วเวลาฟังต้องควบคุมใจบังคับให้ฟังอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หมดแล้วเลยนี่คือเรื่องของฟังธรรมถ้าฟังภาษาเดียวกันต้องฟังด้วยสติที่จตจอ จะได้อา น, นิสงฆ์5ประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ำอีกก็เป็นการทบทวนความจําแล้วทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลําดับสจะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทําให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญา าจะทำให้จิตใจสงบผง่องใสมีความสุขถ้าฟังด้วยใจที่จดจ่ออยู่กับการฟังร่างกายก็ต้องนั่งเฉยเฉยวาจาก็ไม่พูดคุยกันถึงจะได้อ น, นิสงส์ต่างๆเหล่านี้ถ้าฟังเทศไปแล้วทำกับข้าวไปล้างถ้วยล้างชามไปมันก็จะฟังไม่ได้เต็มร้อย พราะใจต้องแบ่งไปสองที่แบ่งไปที่ทํากับข้าวล้างถ้วยล้างชามแล้วก็กลับมาฟังธรรมมันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์หรือฟังแล้วคุยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ญาติโยมเวลาไปงานศพพระเทศนเยญาติโยมก็นั่งคุยกันไปพระก็เทศไปพอฟังเทศจบญาติโยมก็ไม่รู้ว่าเทศอะไรก็เลยไม่ได้รับอานิสงส์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ กายก็ต้องนั่งเฉยๆวาจาก็ต้องไม่พูดคุยกันใจก็ต้องไม่คิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มา ก, ก่อนถ้าเรารู้มาแล้วเราก็จะได้รู้ดีขึ้นแล้วเราก็จะหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆเช่นในะโลกสวรรค์ว่าเราเป็นใครกันแนะ่แล้วก็จะทให้เรา มีปัญญารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรกับชีวิตของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยแล้วเวลาฟังใจก็จะสงบเย็นมีความสุขผ่องใสนี่คือการฟังอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบก็คือศีลใจที่สงบก็คือสมาธิ พอมีศีลสมาธิก็จะมีภาชนะมาลองรับธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าทําให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้มีคําถามข้อไม่มาไหมไห ม, มีถามเข้ามาค่ะคํำถามต่อไปจากคุณกรุงกรรมคุณห้าหมายถึงอะไรครับพระอาจารย์ขอเมตตาอธิบายพอเข้าใจเพื่อจะได้นําไปปฏิบัติครับกามคุณห้าก็คือรูปที่เราเห็นด้วยตา เสียงที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นที่เราสัมผัส ด, ด้วยจมูกรสที่เราสัมผัส ด, ด้วยลิ้นและสิ่งที่มาความหนาวเย็นหรือความแข็งกับความอ่อนที่มากระทบกับร่างกายเรียกว่าผลทัพะเนี่ยเรียกว่าการมคุณห้ากรรมแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลัพะได้ คำถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะดวงวิญญาณมีขนาดเท่าไหร่เจ้าคะหมานความว่างนความหมาความว่างที่เราที่อยู่ราบตัวเรานี่มีขนาดไหมมันว่างไปถึงแม่นาคาโน่นไงเห็นไหมความว่างมันไม่มีรอยต่อใช่ไ่ยความว่างเราไปหารอยต่อดูมีไหมมันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรดวงวิญญาณดวงจิตของเราก็เป็นคล้ายๆความว่างนี้ มันไม่มีขนาดก็เลยไปวัดไม่ได้ว่ามันกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่หมดแล้วเลย ม, มันมีแต่ความรู้สึกนึกคิดดวงวิญญาณของพวกเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดแต่มไม่มีขนาดเหมือนร่างกายที่มีสูงมีมีลึกมีกว้าง ยันจะใช้มาตรการวัด ไ, ได้ไม่ได้เหมือนกันจะวัดดวงวิญ ญ, ญาณต้องวัดด้วยความสุขหรือความทุกขดวงวิญ ญ, ญาณเราสุขหรือทุกเนี่ยอันนี้แหละคือเครื่องวัดของดวงวิญ ญ, ญาณถ้าสุขก็สูงถ้าทุ ก, ก็ต่ำอต่ถ้าร่างกายเราวัดด้วยที่อะไรที่น้ำหนักใช่ไหอถ้าน้ำหนักมากก็อ้วนน้ำหนักน้อยก็ผอมนี่มาตรมาตรการวัด ของร่างกายกับจิตใจไม่เหมือนกันใช้มาตรการนันเดียวกันไม่ได้มีคำถามเข้ามาจากคุณจัน ญ, ญาค่ะนั่งสมาธิโดยไม่เดินจงกรมได้ไหมคะได้ส่วนใหญ่ผู้เริ่มต้นใหม่ๆก็ไม่ต้องเดินเอเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติมาก ผู้ที่เขาเดินนี้ส่วนใหญ่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขานั่งอย่างเดียวนานๆก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถแต่สำหรับผู้ที่เป็นมือมือใหม่หัดขับนี่ยังไม่ต้องไปเดินจมก้มก็ได้แต่ถ้าเดินได้ก็ดีเพราะเป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีสติเวลามานั่งมันก็จะไม่สงบ เราต้องสร้างสติก่อนด้วยการฝึกพุโทโธในระหว่างที่เราไม่ได้นั่งไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดความคิดด้วยพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเรามานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายถ้าเรานั่งเสร็จแล้วเราอยากจะอยากจะปฏิบัติต่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินเดินพอหายเมื่อเราก็กลับไปนั่งใหม่ได้อีกรอบหนึ่งคําถามต่อไปจากคุณยอดฮิต เขาชวนก่อยู่เราเดินไปดูเป็นบาปไหมครับถ้าเราดูเฉยๆไม่ไปมีอารมณ์กับการที่ดูมันก็ไม่บาปไม่มเราไม่ได้ทำอะไรการดูเฉยๆไม่เป็นบาปถึงแม้จะมีอารมณ์ก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ดีเพราะถ้ามีอารมณ์แล้วมันจะติดมันจะอยากดูขึ้นมาอย่างถ้าดูแบบผ่านๆไปเห็นแล้วก็ผ่านไปไม่มีความยินดียินร้ายกับการที่ดูมันก็จะไม่ติด คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะถ้าจะทําบุญแบบไม่หวังผลตอบแทนควรวางจิตยอย่างไรเจ้าคะก็คิดว่าเป็นการใช้หนี้ไปเนี่ยเขมีบุญคุณกับเราหรือเราเป็นหนี้เขาเราก็ทําบุญกับเขาไปใช้หนี้ไปอย่างนี้เราก็จะได้ไม่หวังผลตอบแทนจากเขาใช่ไหมเวลาเราไปใช้หนี้ใอยนะั้นเราหวังผลตอบให้เขาเอาคืนเอาเงินที่เราไปใช้หนี้คืนเราหรือเปล่าใช่ไหมก็คิดว่าทําบุญเป็นการใช้หนี้ก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณพนานลักษ์ถ้าเรากำหนดพุโทโธเราควรเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนเจ้าคะา็รู้สึกที่คำว่าพุโทโธเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่คำคาพุโทโธให้รู้ให้รู้ว่ากำลังพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องไม่ให้หายไปไหนถ้าไปอยู่ที่เดี๋ยวพุโทโธหายก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าหายไปยังต้องอยู่ที่คาพุโทโธ ทำธรมต่อไปจากคนลิตาค่ะระหว่างคนทํากับข้าวคนเอาไปใส่บาตรและคนออกเงินได้บุญต่างกันหรือไม่อย่างไรคะคนออกเงินเนี่ยเป็นคนเป็นคนได้บุญมากที่สุดเนี่ยมาเป็นเจ้าของซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆคนดับข้าวก็ได้บุญจากการช่วยเหลือทํากับข้าวคนที่เอากับข้าวไปใส่บาตรก็ได้บุญจากการไปช่วยเหลือเอาข้าวไปใส่บาตรเป็นบุญคนละอย่างกัน คำถามต่อไปจากคุณปียนานค่ะถ้าพระไม่ได้ฉันอาหารที่เราใส่บาตรแล้วเราจะได้บุญหรือไม่ครับได้เพราะว่าพระมีญาณโยไมไปทำบุญเป็นร้อยจะไปกินอาหารของทุกคนได้อย่างไรองั้นบุญไม่ได้เกิดจากการผู้รับจะไปเอาไปใช้หรือไม่ไปใช้บุญเกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองของเราคำถามต่อไปจากคุณดุสิตค่ะปัญญากับความรู้ต่างกันอย่างไรครับ ความรู้ก็มีทั้งดีนะทั้งไม่ดีที่ถูกและผิดนะแต่ปัญญานี้เป็นความรู้ที่ถูกเป็นความรู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้ที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาแต่ความรู้ที่ผิดก็เรียกว่าเป็นความหลงได้เช่นเห็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้เหมือนกันแต่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือความรู้ว่าโลกนี้แบนคิดว่าโลกนี้แบน อันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันแต่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นปัญญานี้จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะคํำถามต่อไปจากคุณทิพวรรณค่ะนั่งสมาธิต้องเพ่งดูจุดใดจุดหนึ่งไหมคะน้องเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่งลมหรือพุทโธอย่านั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆจะไม่มีอะไรมาควบคุมความคิด แล้วความคิดก็จะไม่ไม่หยุดคิดใจก็ไม่นิ่งก็จะไม่ได้ผลเราต้องการนั่งเพื่อให้ใจหยุดคิดให้ใจนิ่งเพื่อจะได้มีความสุขจากความสงบขั้นขันแบนหมดนะเสียงมันต้องจ้ะคำถามต่อไปจากคุณหุมา หนูพิจารณาลมหายใจเข้าออกพร้อมกำหนดพุโทโธเข้าและออกในทุกๆเวลาในทุกเรียบทแต่พบว่าจิตเราปรุงแต่ง แสหาเรื่องออกไปสิ่งที่พบกลับไม่ใช่สมาธิสมาธิเกิดชั่วแวบเดียวที่เรารู้ตัวที่เราพิจารณาลมหายใจนั้นสิ่งที่ต้องการคือสติแต่สิ่งที่พบคือสังเวทแทนสติไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะกินกาแฟจะเดินภาพตัวเราที่มีเนื้อที่ช้ําไปด้วยเลือดดําเลือดแดงเนื้อกล้ามมัดมัดเป็นยอมยอมไม่มีหนังหุ้มมีฟันที่ติดเหงือ้อมีเส้นผมติดหนังหัวมันหน้าขยั่งหนูพยายามมองดู ตัวเองเข้าไปยิ่งดูมันยิ่งเศร้ามันยิ่งทุกข์จนต้องตัดใจไปดูลมหายใจไหมไม่ว่าจะทําอย่างไรไอ้ภาพนี้ตามมาในลูกกตาตลอดมาเป็นระยะหนูต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะถ้ามันไม่ทําให้เราเดือดร้อนก็ดูได้ถ้ามันทําให้เราเดือดร้อนเราก็หยุดอย่าไปดูด้วยการบังคับให้มันดูลมหรือให้มันท่องพุโทโธพุโทโธไปก่อนแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบพอที่จะดู ดูความไม่สวยงามต่างๆของร่างกายได้ยังไม่พร้อมที่จะไปวิปัสสนาต้องมาฝึกสมาธิให้จิตเข้มแข็งก่อนให้จิตมีอุเบกขาก่อนแล้วต่อไปถึงจะเห็นภาพต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมได้คําถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะทําไมเห็นคนที่เขาเสพการต่างๆทําไมเราเห็นเขามีความสุขจังเลยเจ้าคะเพราะเราเคยมีความสุขจากการเสพการนั่นเอง เรลาเคยกินขนมพอเองคนหนึ่งเขากินเราก็รู้ว่ามันสุกเียถ้าเราไม่เคยกินขนมมาก่อนเวลาเขากินขนมเราก็จะไม่รู้ว่ามันสุกหรือไม่สุบเป็นอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณศักชัยค่ะทุกวันนี้ผมทำบุญอยู่สามอย่างคือสวดนม น, นั่งสมาธิห้าถึงสิบนาทีใส่บาตททำทานให้ข้าว ให้น้ำขอทานทำแล้วสบายใจเรียนถามพระอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมครับก็ต้องรักษาศีลด้วยต้องไม่ทำบาปโดยแล้วก็ต้องทำให้มากขึ้นไปตามลำดับอจากสิบนาทีก็ต้องเป็นยี่สิบนาทีเป็นสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงเป็นทั้งวันทั้งคืนถึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเงินทองอ่ะ ถ้าหาสิบนาทีก็ได้แค่เงินทองสิบนาทีถ้าหาชั่วโมงหนึ่งก็ได้เงินทองชั่วโมงอย่าง mm hmm. ยิ่งหามากเท่าไหร่ยิ่งดีในการปฏิบัติตามคําสอนเป้าหมายก็คือให้ทําเต็มร้อยทําเต็มที่นทําทุกเวลายกเว้นเวลาหลับแล้วเราจะได้พันิพานเป็นรางวัลต่อไปหมดแล้วนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา